วันนี้เดี๋ยวก็มีกลุ่มมาอบรมนะก็อาจจะคนเยอะหน่อย <c oughs> เราเองก็เป็นเหมือนเจ้าบ้านเนาะก็มีแขกมามาบ้านของเรานะก็เหมือนก็ช่วยกันดูแลช่วยกันแนะนำานะ่อว่า หรือเช่นกันถ้ายคเขาทำอะไรไม่เข้าใจไม่ถูกต้องก็แนะนำกันกันบ้างเนาะหรือบางคนอาจจะร่วมปฏิบัติกับเขาก็าได้นะเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมนะเหมือนตัวอย่างให้กับผู้ที่มาใหม่เนาะก็จะได้รู้ว่าที่นี่ เขาทำกันอย่างไรเนาะเขาปฏิบัติกันอย่างไรอยู่เนี่ยเนาะก็ตามตามสมควรเนาะแต่แต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้กระเก์แต่ก็แค่เชิญชวนเนาะตามตามโอกาสที่เหมาะสมทีตอนอบรมนะอบรมคนอื่นนะหรือว่ามีหลายๆที่นะ ปกติอย่างผมเมื้อตมาเนี่ยก็มีอบรมอะไรมีอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็เป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยที่มีคนที่มีคนติดต่อมามีคนเขาหรือมีคนประสานเนาะอย่างเช่นบางทีอาจารย์ตุ้มก็รับมาบ้างหรือคนอื่นก็ประสานมาได้ตรงบ้าง ปกติก็ไม่ค่อยได้ปรึกษาตอนอยู่กับหลวงพ่อก็ไม่ได้ปรึกษาว่าจะต้องอะไรยังไงนะเพราะหลวงพ่อคำเขียนเองเวลาท่านท่านให้ท่านก็ให้พวกเราตัดสินใจเองในพิจารณาเองเป็นส่วนใหญ่ว่า อ, อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะเราก็ไม่ค่อยได้รบกวนท่านเพราะาเห็นท่านก็ อายุเยอะบ้างสุขภาพไม่ค่อยดีบ้างมีเรื่องอื่นอีกก็หลายอย่างอะไรที่เราพอทำได้อะไรพอตัดสินใจได้แล้วก็ตัดสินใจเองช่วยเองเนาะแต่ก็มีไม่กี่ครั้งนะที่แบบบางทีไปขอคำปรึกษาหลวงพ่อหรือว่าไปขอความเห็นเนพะื่อพิจารณาในการตัดสินใจนะ แล้วสลงพ่อเป็นคนที่ตอบกระชับนะสั้นๆนะแต่แบบเคลียร์มากทำให้เราเออไอที่เราคิดคล้ายๆคิดพิจารณาไม่ตกว่าจะเอายังไงดีนะสงพ่อก็ตอบสั้นๆนะได้เจตความแล้วก็เออมันก็อมาใช้ได้ยแบ่งปันพวกเรานิดหน่อยเนาะมันเหมือน มีมีอยู่การอบรมอยู่ที่แบบคล้ายๆเราก็รู้สึกว่าเราก็ไปมาหลายครั้งแล้วก็เหมือนทําคนจัดเองก็อาจจะอืมเรื่องการจัดการเรื่องอะไรบางอย่างก็อาจเรารู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมือนเราก็ทํางาน คล้ายจุดอัดสักหน่อยในการทํางานร่วมกันนะแต่ก็ไม่ใช่เชิงมีปัญหาขัดแย้งกันอะไรมากมายหรอกก็เพียงแค่เหมือนสไตล์ในการจัดการอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างก็รู้สึกบางทีก็อพูดไม่ค่อยได้เต็มที่หรือว่าสไตล์ในการจัดการแล้วก็เราก็ไปสอนก็ไม่ค่อยมันก็รู้สึกว่ามันขัดขัดกัน แต่ไม่ใช่ว่าขัดแย้งมีปัญหาทะเลาะ ก, กันขนานั้นหรอกก็ปรึกษาหลงพ่อเหมือนกันว่าคลออ้ายๆเหมือนเราจะรับงานตอนนี้ต่อดีหรือเปล่าอะไรประมาณนะี้หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ถามรายละเอียดนะนี่ว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงหรอกเก็ปรึกษาว่าเ อ, อจะรับตรงนี้ต่อดีหรือเปล่าครับอะประมาณนะี้หลวงพ่อ ท่านก็เคยท่านก็เคยไปอบรมตรงนี้ด้วยอยู่เหมือนกันแหละนะแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากหลวงพ่อพูดแค่คําเดียวนะหลวงพ่อบอกก็ไปเถอะนะสอนคนอื่นด้วยสอนตัวเองด้วยนลวงพอใช้แค่นี้นะบอกก็เวลาเราอบรมอะไรหลวงพ่อก็พูดแค่นะให้สอนคนอื่นด้วยสอนตัวเองด้วย เอมันเป็นคําตอบที่ตัวเองรู้สึกว่าพ่อพูดแค่นี้นะมันก็รู้สึกว่ามันชัดเจนมากชัดเจนในการในการวางตัวในการวางใจของเราว่าบางทีแม้สิ่งที่เราไปทําเนาะมันก็ไม่ใช่ไปมุ่งเน้นที่การแก้สอนสอนเขาเนะี่ยหรือว่า ในการทํางานมันก็อาจจะมีสิ่งที่มันอาจจะไม่อาจจะไม่ได้บ้าทําได้เต็มที่ทั้งหมดนะเพราะที่จริงเราเองก็ไม่ได้ไปเน้นสอนคนอื่นทั้งหมดเหมือนกันเพราะว่าเราก็เน้นไปสอนตัวเองด้วยถาใส่สอนคนอื่นไปด้วยก็สอนตัวเองไปด้วยเนะี่ยอันนี้สําคัญมากนะเวลารู้สึกว่า เออเวลาเราต้องมีหน้าที่ไปสอนไปอบรมหรือว่าอะไรมันก็เป็นตัวทำให้เราได้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าออหน้าที่ของเรามีสองอย่างสอนคนอื่นบ้างสอนตัวเองบ้างเนี่ยนี่ก็ได้รู้สึกหองพ่อตอบแค่นี้นะแล้วกออ็ตัดสินใจได้เลยเออว่ายังไงว่าตอบ สั้นๆกระชับแต่เรารู้สึกได้ประโยชน์แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะแต่นี้เองก็ตัวเองก็ไม่ได้ว่าเป็นคนขัดแย้งอะไรโดยตรงหลักแต่ก็บางทีอยู่ใกล้หลวงพ่อเนาะบางทีมันก็มีคนมาปรึกษามีคนมาแบบเหมือนขอให้พูดขอให้ถามแทนหน่อยแต่ประมาณเนะั้นมันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องในวัดนะเนาะบางทีก็ เพราะวัดเองก็มีคนอยู่หลายคนเนาะพระก็หลายสิบโยมด้วยหรือว่าคนนอกวัดที่เขาคุ้นเคยกับวัดเนี่ยมันก็เวลามีความมีเรื่องราวที่งานต้องทําอะไรมีสิ่งต้องก่อสร้างอะไรอะไรบางอย่างมันก็เป็นข่าวออกไปมันก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่บางทีก็ไม่ได้ว่าทุกคนเห็นตรงกันเนาะ ว่าควรทําหรือไม่ควรทําเไรนะก็มีบางบางโครงการนะก็แบบเออมีความเห็นที่เออไม่เหมือนกันนะเนาะค่อนข้างเยอะเช่นกลุ่มหนึ่ะ อ, อยากให้ทําอันนี้นะแต่กลุ่มหนึ่งก็ไม่อยากให้ทําอะไรปนะระมาณนั้นต่อเหงก็อยู่ใกล้ๆหลงพ่อก็มีคนฝากถามนะหรือขอให้หลงพ่อ คล้ายๆให้ตัดสินใจให้หลวงพ่อฟันธงนะว่าควรทำหรือไม่ควรทำดีอะไรประมาณนี้เนาะเราเองก็อาจจะถามหลวงพ่อหลายครั้งนะแต่เราเองก็มีความเห็นของเราอยู่ว่าเออว่าเอาเอก็ไม่ควรทำความเห็นนะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะต้องแบบนั้นแต่พอต้องถูกถามบ่อยๆนะขอคำให้หลวงพ่อต้องให้คำตอบ กับเรื่องนี้บ่อยๆนะหลวงพ่อก็พูดนิดเดียวนะหลวงพ่อบอกว่าบางทีเนี่ยเราอยู่วัดเนาะคนเยอะๆนะหลวงพ่อก็พูดประมาณว่าบางทีเราก็ต้องทีเขาที่เราบ้าง <c oughs> จะเอาทีเราตลอดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะหลวงพ่อเออหลวงพ่อพูดแค่นี้นะแล้วสึกเออมัน มันจบนะก็คือว่าบางทีงานส่วนรวมนะอะไรบางอย่างมันก็เนื่องจากคนหมู่มากเนาะคนหมู่มากก็อาจจะมีมีเรียกว่าพื้นฐานความคิดความเห็นทัศนคติอะไรบางอย่างแตกต่างกันอืมควรอันนี้ควรทําหรืออันนี้ไม่ควรทําหรือทําแบบไหนอนะไรเนี่ยมันธรรมาชาติคนเราคิดไม่เหมือนกันเนี่ย แต่พอมันเป็นสิ่งส่วนรวมบางทีก็อาจจะแต่ละคนก็อยากจะแสดงความเห็นอยากจะอันนั้นนี่นะแต่ดพ่อก็พูดสั้นๆบางทีเออให้บางทีว่าทีเขาที่เราบ้างมันก็ทําให้เราวางใจได้เลยว่าเออคือแม้เราไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้ามันจะถ้ามีเหตุปัจจัยมีเสียงให้ทําแล้วบางทีมันก็การทํานั้นก็ มันอาจจะมีเราอาจจะเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายบางทีเราก็ผ่อนๆ น, นะที่เขาที่เราไม่ต้องมาคัดค้านหัวชนฟ้าหรืออะไรมากมายมันเป็นเรื่องที่ให้เราวางใจว่าเอองานส่วนรวมก็เป็นแบบนี้แหละนะ จะเอาแบบแต่อย่างที่เราคิดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกเนะี่เพราะถ้าเอาแบบที่เราคิดอย่างเดียวนะคนที่เขาคิดต่างจากเราเขาก็อึดอัดเขาก็ไม่สบายใจในในส่วนของความคิดนั้นๆแต่ก็ไม่ใช่ไม่ฟังความคิดนะแต่บางทีก็บางอย่างมันมันก็ไม่ใช่มีอะไรถูกผิดตายตัวหรือว่าอืมต้องมาเอาอะไรเหตุผลมา มาดีเบตกันเนาะมาถกเถียงกันอะไรมากมายบางทีเพราะเหตุผลแต่ละคนมันก็มีนะแต่การที่บางทีทีเขาทีเราบ้างมันช่วยให้เราวางใจได้ได้สบายขึ้นว่าเออโรกมันก็เป็นแบบนี้แหละนะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างที่เราชอบเราคิดนยะไปทั้งหมดหรอกนะแต่ทั้งเมื่อใดที่เราไปคิด เอาแต่อย่างที่เราอยากจะให้เป็นอย่างที่เราชอบนะเราก็ต้องไปไฟไปอะไรเยอะมากนะแล้วคนที่ทุกข์ก็คือเราเนี่แหละที่ทุกข์แต่ถ้าเราเอรับฟังอแม้บางอย่างมันขัดใจนะแต่เราก็พิจารณาเออมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากมายเลยนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นต่างบ้าง แต่ถ้าเรามองมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนี่นก็ยอมรับพอยอมรับมันก็ง่ายอะไรจริงสักพักหนึ่งมันก็พอทําไปแล้วนะมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรหลักนั้นอยู่กับหลวงพ่อคําเขียนนะก็ไม่ค่อยได้ปรึกษาอะไรท่านมากนะแต่ที่จําได้ชัดชัดเนะี่ยมีสองสองเรื่องแบบนี้แหลนะสองเรื่องที่ อาจจะเป็นเรื่องแรกมากกว่าที่ไปปรึกษาขอความเห็นในการตัดสินใจนี่ยแต่เรื่องที่สองนี้ก็ไม่ได้แบบไปขอความตัดสินใจอะไรก็ท่านดักเพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามันมันคมนมีการตัดสินใจไปแล้วนะก็แค่ถามความคิดเห็นเฉยๆเพราะเราเองก็ไม่ใช่คนตัดสินใจโดยตรงแต่ก็เห็นหลวงพ่อท่าน พูดง่ายๆนะพูดสั้นๆ น, นะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องถามอะไรมากมายท่านแค่บอกสั้นๆส อ, อสอนคนอื่นบ้างสอนตัวเองบ้างนะหรือทีเขาที่เราบ้างคำพูดนิดเดียนะสะกิดใจเราในการวางใจได้นั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะหรือเรา ทำงานเนาะเราเกี่ยวข้องกับผู้คนการวางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลักในการวางใจนะในการปฏิบัติหรือว่าในการทำงานเนะี่ยถ้าเราวางใจเนะี่ยไม่ถูกนะมีแนวทางมีความคิดแบบนี้นะมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันทำให้เราค้นทุกข์จริงๆทั้งหมดหรอกนะแต่แต่การวางใจเนะี่ยมันจะทำให้เรา คลายความทุกข์ไปได้เยอะไอ้ที่เคยไม่สบายใจไอ้ที่เคยสับสนนะพอวางใจไว้ถูกแล้วคราวนี้มันก็เหมือนคล้ายๆเรามีความเบาใจนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์แต่มันทำให้เราเหมือนเบาใจละเอ อ, เ อ, อก็ตัดสินใจแบบนี้ละก็ตัดสินใจก็จบนะก็มีแต่ว่าจะอยู่ยังไรจะเดินหน้าต่อไปอยังไรนะมันก็ มันก็จะชัดเจนคือเราวางวางเรื่องของอดีตไปนะวางนะความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปนะอ่ะอวางะนะเราก็จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละนะเมื่อตัดสินใจแล้วเมื่อสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วนะเราก็จะอยู่กับมันให้ได้เนะนี่ยแหละ พอเราวางใจได้นะก็คือเรายอมรับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือยอมรับในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมานะแล้วเราก็วางใจว่าเออเนี่แหละจะอยู่กับมันนะจะเรียนรู้กับมันให้ไดนะ้จะสอนตัวเองให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ยแหละนะมันทำให้เราวางใจได้เออมันจะเกิดอะไรก็ได้นะ เราจะอยู่กับมันให้ได้เราจะศึกษามันเอาปจระโยชน์จากมันนั่นแหละเป็นสิ่งที่สาคัญธรรมะนะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเน้นในการจัดการนะความคิดความเห็นความเชื่อคนอื่นแต่เราเน้นที่ที่การฝึกหัดตัวของเราเองเนาะให้ให้เห็นตัวเราเองนะนะ ให้ยอมรับความจริงนะยอมรับเหตุปัจจัยที่มันมีมากมายที่หลายอย่างเราก็เราไม่สามารถไปจัดการได้นะไม่สามารถควบคุมได้มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการทั้งหมดหรอกโลกใบนี้เนนะผู้คนก็ดีเนาะนะสิ่งแวดล้อมก็ดีนะเหตุปัจจัยลหลายๆอย่างก็ดีมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นของมันนถ้าเรายอมรับได้นะเราก็สบายใจละนะสิ่งที่เราทําก็คือนี่ยนะเราก็แหมมากําหนดหน้าที่แล้วเราเราพอจะทําอะไรได้บ้างเราก็ทําหน้าที่ตรงนั้นในการเกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่สิ่งสําคัญคือเราไม่ลืมหน้าที่ในการในการกลับมาดูตัวของเราเองเนาะนการกลับมาดูตัวของเราเองก็คือการกลับมา รู้เท่าทันนะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะเช่นถ้ามันเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาในใจนะก็ให้เรารู้ทันนะว่ามันอึดอัดนะเกิดความเครียดเกิดความขัดใจนะเกิดความรู้สึกอย่างไรก็ได้นะคือเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่ามันจะต้อง รู้สึกแต่ดีแต่ดอดหรือรู้สึกเฉยเฉยนะมันรู้สึกอย่างไรนะเราก็รู้อย่างนั้นแหละนะมันมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาก็เราเห็นนะมีตัวตนขึ้นมานะมีมานะเกิดขึ้นมาเออมันก็ดีนะให้เราได้เห็นว่าเออกิเลสมันแสดงตัวตนขึ้นมาแล้วนะ มานะความถือตัวถือตนนะว่าเราดีเราถูกเราแน่เออมันเกิดขึ้นมาแล้วหรือบางทีก็เกิดมาณะอีแบบนะเราแย่เราไม่ดีเลยนะขึ้นมาก็มีนะอืมก็พวกนี้มันก็ดีเวลาเรากระทบกับอารมณ์หรือกระทบกับเหตุปัจจัยที่เราไม่คาดคิดนะมันทำให้เราได้เห็น เรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นนะว่าอะไรที่เรายังติดค้างอะไรที่เรายังทำไม่ได้อะไรอะไรที่เรายึดติดนะถือมั่นเนกะิดเป็นตัวตนมานะอัตาขึ้นมามันเหมือนคล้ายๆบางคนก็เปรียบเทียบว่าการปฏิบัติเหมือนคล้ายๆเราเราปอกหวัวหอมนะปอกหวัวหอมมันก็จะค่อยๆแบบคล้ายๆปอกเปลือกออกนะ บอกหอมออกทีละชั้นทีละชั้นนะ่ะบอกไปเรื่อยทีละชั้นทีละชั้นจนทั้งข้างในของหัวหอมเองมันมันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเนะี่ยเราพอเราปอกความเห็นผิดปอกตัวตนปอกมานะออกไปนะเรื่อยๆมันก็เหมือนความยึด ต, ติดของเราถูกปอกออกไปเรื่อยนะสุด ท, ท้ายเราก็เห็นว่าที่แท้จริงมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอก ที่มันจะยึดมั่นถือมันไดนะ้แต่ขณะที่ปอกหอมนะมันก็แสบตาหน่อยนะมันก็มันก็มีสารอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแสบตานะขณะที่เราเห็นพวกนี้เหมือนกันบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนขณะที่ทำมันก็อาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นความอึดอัดเกิดขึ้นไม่สบายใจเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราเห็นนะถ้าเราเห็นมันก็ มันก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าเราติดนะมันก็มันก็เป็นทุกข์เนะเพราะว่าขนาดที่เราไม่ทำตามตัญหานะความอยากเนะี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นทุกข์นะไม่สบายใจเพราะพอเราต้องฝืนมันเนาะอยากมันอยากกินนะแต่รู้ว่ามัน กินเพราะเพราะกิเลสเพราะความอยากเฉยๆเราฝืนมันนะมันมันก็อาจจะรู้สึกต่อรองขอลองหรือหาเหตุผลให้เราไปกินกับมันเหมือนนะ่ะมันก็จะอึดอัดนะประมาณว่าเหมือนถ้าได้กินก็จบแล้วสบายแล้วสุขแล้วเหมือนนะ่ะแต่พอไม่กินมันก็จะมีอะไรมาเยอะมากมันทำให้เรารู้สึกไปกินดีกว่าประมาณนะี้แต่ถ้าเราฝืนดูมันสักหน่อยนะ่ะ อันนี้จะดีนะเพราะเราได้ดัดนิสัยตันหานะไม่ให้มันต้องมาคอยบงการชีวิตเราไปทั้งหมดนี่บางทีการที่เราฝืนบางอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นกิเลสชัดๆนะเป็นตันหาเป็นตัวตนชัดๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความอึดอัดใจนะแต่ถ้าเรามองมองว่ามันเป็นกิเลสมองว่าเป็นตันหามองเป็นตัวตนมัน มันกําลังสแสดงแล้วนะถ้าเรามองเห็นนะเราก็ฝืนมันบ้างดูมันบ้างนะอยไปเชื่อมันนะมันก็จะทําให้เราคล้ายๆปราบพยศมันได้เนาะปราบพยศดัดนิสัยมันบ้างนะมันไม่ใช่เราจริงๆหรอกมันก็แค่มาหลอกเราแต่ก่อนเราถูกหลอกมาเยอะแล้วนะตอนนี้เราก็ค่อยๆรู้ทันนะ สิ่งที่มันหลอกเาเยอะขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยปฏิบัติธรรมทีก็มันก็จะเห็นพวกนี้เยอะนะนะซึ่งมันก็จะทําให้เราจิตใจเราเปลี่ยนการวางใจมันเปลี่ยนนะอารมณ์ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไม่ใช่ว่ามันจะดีทีเดียวหลอกนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะนะในเส้นทางของการฝึกฝนตนมันก็มีนั่นแหละนะมีกันทุกคนนะแต่เพิริยาว่า เราจะวางมันได้เร็วหรือเปล่าเวลามันหลงขึ้นมาเวลามันโกรธขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่โกรธไม่หลงนะแต่เราพอโกรธขึ้นมาแล้วเรามีสติทันเราวางมันได้ไม่นะเรื่อมันเกิดไปแล้วก็จบก็จบนะไม่มีอะไรไม่ได้ไปติดค้างใจก็เผลอไปละน่ะนิดนิดห น, น่อยหน่อยก็ให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นได้นะ ถ้าเรามีสตินะมันก็เหมือนจบทั้งจบทั้งตัวเราเองจบทั้งกับุ่นอื่นด้วยนะคุณเนะพอรู้ทันก็ก็เหมือนคล้ายๆมาตั้งหลักใหม่มาตั้งหลักใหม่อดีตจะเป็นอย่างไรเราก็ก็โอเคเราก็รู้แหละเราก็คิดได้แต่เราจะไม่เอามาแบบเอามาต่อความยาวสาวความยืดมากเนาะ เพราะบางทีถ้าเราไปคิดเยอะไปอะไรเยอะนะมันก็เหมือนเราก็ปรุงแต่งร่วงหน้าละบางทีกิเลส น, นะมันก็หลอกเรานะมันก็หลอกเราเวลาเรารู้สึกไม่ดีอะไรกับใครบางคนนะเราก็จะมีเหตุการณ์มีนิสัยมีอะไรบางอย่างของเขาที่ ที่เรารู้เนยะที่เราคิดเนะบางทีพอเราจะมาสัมพันธ์ในปัจจบุบันบางทีก็เราก็จะลากอดีตมามาด้วยนะนทีเราก็กลัวบางทีเราก็ไม่ชอบแล้วตั้งแต่ตอนที่จะต้องมาสัมพันธ์นะบางทีเราก็ปรุงอนาคตนะทําไงเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกทํายังไงมาถึงนี้ไปเกิดแบบนี้อีกนะเราก็ปรุงไปอนาคตกลัวว่ามันเขาจะทําแบบนั้นอีกนะเพราะมันอาจจะเป็นเหตุให้เราทุกข์ แต่จริงเหตุที่เราทุกข์ตอนนี้คือเรากลัวเรากังวลเราไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตเรารู้ไม่ทันว่าปัจจุบันเนะีเ อ, อจิตใจเราเป็นแบบไหนนะหือเราไม่กลับมาดูกายว่ากําลังทําอะไรอยู่เราไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับเหตุผลไม่อยู่กับอารมณ์จนะถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดแต่ผิดเพื่อเป็นครูนะเดี๋ยวไม่ใช่ผิดเพื่อท้า ซ้าเติมใครไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่เหมือนพูดไว้ว่าเออในการปฏิบัติอมันผิดแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ผิดเพื่อให้เราเรียนรู้ผิดเพื่อให้รู้จักว่าผิดเป็นแบบไหนนะต่อไปจะได้ไม่ซ้ํารอยผิดอีกนะมันเหมือนผิดบ่อยจเจนทั้งมันจําได้ว่าผิดแบบเนี้ยเออจะได้ไม่ทาซ้ําอีกนะนะ จิตใจเราถ้าเราเห็นว่ามันผิดแบบไหนนะเราก็จะพัฒนาตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่เห็นว่าเราผิดแบบไหนเนะี่ยเราก็จะเคยชินในการทำผิดซ้ำๆเดิมๆไปเรื่อยๆสิ่งที่มันผิดก็คืออะไรนะก็เนี่ยถ้ามันทำด้วยกิเลสทำด้วยตัณหาทำด้วยอัตตาทาด้วยมานะนะทำด้วยความเห็นผิดอะไรพวกนี้แหละนะ ทำด้วยการวางใจไว้ผิดเนะี่ยถ้าเราค่อยๆเห็นว่าเออพิเรศมันเกิดขึ้นมาแล้วตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วอัตตาเกิดขึ้นมาแล้วมานะเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยความเห็นผิดมันทํานําทางแล้วเนะี่ยถ้าเราก็ค่อยๆเห็นมันนค่อยๆเห็นเมื่อที่เราค่อยๆเห็นมันก็จะเออไม่ถูกมันดอกแล้วในขนาดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าตลอดไปนะเออ ก็รู้ทันไปทีถะาขณะนะให้เราวางใจนะี่เราก็รู้ทันตรงที่ปัจจุบันนาะปัจจุบันบางครั้งมันกนังวลก็ให้รู้ทันความกนนะังวลความอึดอัดก็รู้ทันความอึดอัดนเะนี่ยคือคือการปฏิบัติธรรมเนาะของพวกเรานะเราก็ปฏิบัติทั้งในรูปแบบนะ่ะ ในทูกแบบมันก็ส่วนใหญ่อารมณ์ที่เห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เก่าๆนะอารมณ์ที่มันติดๆนะความคิดก็เอาเรื่องราวในอดีตมาคิดนะสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเอามาคิดมาปรุงมาแต่งนะหรือก็อ จ, จะมีเรื่องอนาคตบ้างเรื่องวางแผนต่างๆบ้างเนะี่ยก็มีบ้าง แต่พอทาในรูปแบบถ้าเราอยู่ที่เดิมเดิมที่ซ้ำซ้ำอารมณ์ที่มันกระทบในปัจจุบันนะบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหรนะ่เนาะตาเห็นต้นไม้เห็นภูเขามันก็เดิมเดิมนะเสียงก็ไม่ได้มีอะไรรบกวนมากนะบางทีอารมณ์ในปัจจุบันไม่ค่อยรบกวนเท่าไหรนะ่แต่อารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตเนี่ยจะรบกวนจิตใจเราให้เราไปหมกมุ่นคุ้นิดนะ แต่เวลาเราทำงานเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยอารมณ์ที่ปัจจุบันที่มันกระทบเนี่ยแหละนะการกระทำของคนอื่นคาพูดของคนอื่นนะนอสิ่งต่างๆที่มันกระทบในปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลต่อต่ออารมณ์ความคิดของเรามากเนะี่ยก็ให้เรารู้ทันนะรูทันว่ามันกระทบแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรเนะี่ยเนย กระทบแล้วนะมันชอบมันไม่ชอบหรือเฉยนะก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหลนะอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนะี่ที่มันก็น่าจะมีประโยชน์นะถ้าเราวางใจวิถู ก, นะกาการที่เราก็ทำในรูปแบบบ้างนะกที่เราทางานนอกรูปแบบบ้างทุกอย่างมันก็คือสะท้อนให้เราเห็นว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกายในใจนี้เนาะคล้ายๆเหมือนเรากลับมาเห็นตัวเองก็เหมือนเราส่องกระจกเนาะก็เห็นตัวเองอยู่บนหน้ากระจกแต่กระจกมันก็ส่องได้เพียงแค่รูปลักษ์ข้างนอกเนาะแต่สติมันเหมือนกระจกข้างในที่ส่องเห็นใจนะเห็นใจข้างในว่าใจมันมีอาการอย่างไรเนาะแต่ถ้าเราเห็นด้วยสตินะเราจะเห็นว่า อาการของใจมันก็อันหนึ่งแต่ใจจริงๆมันก็อันหนึ่งนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเป็นอาการชั่วคราวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นแต่ใจจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะใจจริงๆมันเพียงแค่รู้เฉยเฉยแต่อาการของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดแล้วก็ดับไป มันก็จะแยกได้ออกอาการที่เกิดขึ้นนะกับใจนะบางทีก็เรียกว่าอาการอาการของจิตนะเจตสิกนะแต่ใจนะคือธรรมชาติที่มันปกตินะที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันก็เป็นอันนึ่งนะมันเป็นคนละอันกันนะนะแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็จะเป็นกับอาการของใจไปทั้งหมดเลยนแต่ถ้าเรารู้เราก็กลับมา กลับมารู้สึกตัวก็คือกลับมาสุกความเป็นปกตินั่นแหละนะพอเรารู้ทันความคิดความเห็นต่างๆใจก็กลับมาเป็นปกติหรือเรารู้ทันร่างกายร่างกายมันก็ไม่ได้หลอกอะไรเรานะร่างกายมันก็ซื่อตรงๆนะพ อ, อเรากลับมารู้กายเห็นกายมันก็ทำให้ใจกลับมาเป็นปกติเหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่เห็นความคิดไม่เห็นกิเลสมันไม่เป็นไรนะ กลับมาเห็นกายก่อนก็ได้กลับมาเห็นกายเฉยๆคือก็คือกลับมาหาความเป็นปกตินั่นแหละนะไม่ได้หนีนะแต่เรากลับมาสู่ความเป็นปกติของใจนะเราก็จะมีที่อยู่เราก็จะมีที่ตั้งนะในการที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมันก็กลับมาหาฐานนะกลับมาหาฐานเหมือนเรายืนนะ เราก็ต้องยืนบนฐานนะจะยืนบนอากาศก็ไม่ได้นะเรามีฐานมันก็มั่นคงใจที่มีฐานนะนยะสติปฐานก็คืออะไรนะฐานรู้นะ่ะกายเวทนาจิตธรรมเนะี่ยคือฐานที่ให้จิตมันรู้นะเราก็ดูตรงนี้นะให้เรามีฐานมีที่ตั้งนะมีการวางใจนะมันก็จะช่วยให้การภาวนามัน มันง่ายขึ้นนะแล้วก็ไม่ดองทิศผิดทางนะก็ฝากไว้ครับ